สารณาคมชัดเจนบ้างหรื อ, อยังเดนีชัดเจนแล้วเนาะมีปัญหาค้างคาอะไรเรื่องสารณะสารณาค ม, มั้ยมีไม้มมีปัญหาอะไรค้างคาไหมปัญหาอะไรเป็นปัญหาค้างคาในการถึงสารณะ ในการใข้ใกล้ชันนักคมน์แท้จริงแต่บัรดุที่ว่าเขาคำตัวว่าเป็นการรวบูม ส, สิ่สักดิ์สิทเช่นควรทิ้งพระอย่างมีภูมิคุ้มทองแม่นางขวบแม่นางกรกแด้งหรือแม่นามนไม้หรือการไหว้ศาลครอครศาลตายายศาลนางไม้ที่บ้านหรือที่บ้านเป็นทาเป็นปรเจณีในการไหว้สุขจีนศาสารจีนจะให้โยมวางใจอย่าง และถ้าคนในบ้านไม่เชื่อตามเราจะทำอย่างไรคะข้อที่หึเดี๋ยวก่อนที่จะบรรยายก็ขอขยายตรงนี้นิดหนึ่งนะ <c oughs> เพราะเอิอลำดับของสรณาคมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลำดับเข้าไว้ให้ชัดในชั้นคำสอนคำว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏิหรือธรรมานุธรรมปฏิปทา การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมได้ยินคำนี้ไหมการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมหมายถึงการปฏิบัติที่สมควรต่อโลกุตระธรรมเก้าการปฏิบัติการขัดเกลว์กระแสะชีวิตของตนเองที่สมควรแก่การที่จะบรรลุมรรคบรรลุผลแล้วได้พนัพนธุภัณ อันนั้นเขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมหรือแก่โลกุราธรรมทีนี้การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เาเรียกว่าสัมมาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติชอบการปฏิบัติชอบเนี่ยถ้าบันปะชิตคือนักบวช ท่านกล่าวถึงการไม่ละเมิดสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แม้เพียงเล็กน้อยดำรงสมมาเทศโดยทรรมที่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมตามทุกคนแก่ธรรมฉะนั้นบนรรพชิตเนี่ยจริงๆแล้วในยคุคปัจจุบันเนี่ยถ้าบรรพชิตจริงๆก็ต้องเริ่มตั้งมั่นดีบารัตนไตรให้ชัดก่อนด้วยซ้ำไปแต่ถ้าคือรหัสผู้ทาความบริบูรณ์ในสาารณะ จะต้องทำความบริบูรณ์ในในสราะก่อนเริ่มต้นเนี่ยนะที่ถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติทำตามสมควรแก่การที่จับบรรลุได้เครือัดที่ไม่ใช่นักบวชต้องทำความบริบูรณ์ในพุท ธ, ธรัตนะธรรมรัตนะสังข ร, รัตนะให้ชัดถามว่าสถานะนั้นจักบริบูรณ์ตรงไหนสถาะก็คือด้วยการรักษา เห็นหมถ้าศาสณาแข็งแรงเนี่ยาสนาคมนั้นก็จะบอกคุธ ร, รตัตนะก็จะบอกให้ตั้งมั่นในศีลในธํามใช่ไหมครับศาสนาก็จะบอกให้เราตั้งมั่นในกุศลศีลเห็นไหมเมื่อเมื่อเข้าถึงสาสนาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ศาสนาคมเป็นต้นไปนั่นเรียกปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมหรือแก่การที่จะบรรลุธรรม ถ้ามองอย่างนี้ก็คือการให้ทานการบูชาพระรัตนตรัยที่ถูกต้องการรักษาอุโบสถการรักษาศีลการบูชศการรักษาอุารราโบสถศีลบำรุงมารดาบิดาสมณธรามผู้ทรงธรรมเป็นต้นอันชื่อว่าการปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมทีนี้ประเด็มอยู่ว่า ลักษณะการเคารพพระตนไตรที่ไม่ใช่ที่ที่ไม่ใช่ไตรสรารนาคมหนึ่งคำว่าปานิปาตะก็คือกริยาที่ว่าการเคารพเนี่ยมียาติปานิปาตะพยาปานิปาตะเป็นต้นถ้ายาติปานิปาตะเช่นกษัตริย์ในสกฤตภูลนะ ในสมัยข้าพุฒิการนี่นะที่เป็นพญาฝ่ายโกลิยาวงหรือสารยะวงเนี่ยว่าเคารพพระเจ้าด้วยคิดว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นญาติของเราคีดอย่างนี้นะอันนี้ไม่เรียกว่าเข้าถึงศาสนาคมเพราะญาติเราถึงไหว้เจ็ดคิดว่าโอ้นี่เป็นว่าญาติเราพระเจ้าเป็นญาติเราก็เลยเคารพในฐานะเป็นแค่ญาติเราแค่นั้นแหละใจไม่ได้เชื่อเคารพอะไรมากมายหรอก อันนี้ไม่เรียกว่าถึงสารณะประการที่สองพญาปานิปาตะกลัวไม่ได้ยินไงเคารพพระพุทธเจ้าเพรกลัวเกิดความกลัวว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยหากเราไม่ไหว้พระพุทธเจ้าอันตรายจะมาถึงเรา เรากลัวอันตรายมันพุ่งไปที่กลัวอันตรายยกตัวอย่างเช่นการถึงสรารนาคมด้วยการที่เราไปถือว่าเออไม่เชื่อและอย่าลบหลู่นะเนี่ยไม่เชื่อและอย่าลบหลู่ก็เลยเกิดความกลัวความขนพองสยองกล้าวขึ้นมาที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ลบหลู่อิธิปฏิหารใดๆหรือว่าไม่ให้ลบหลู่หน้า ครุฑเทวดาพรหมนะพระเจ้าจให้สอนให้มีเมตตากับบุคคลเหล่านี้แต่ให้ปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี้ตามสถานะที่ถูกต้องว่าควรจะตั้งไว้เป็นที่เคารพสูงสุดหรือไม่ทีนี้ประเด็นมนก็อยู่ว่าที่เราเคารพเนี่ยประเด็นว่าของที่เราควรจัด ตั้งไว้บนหิ้งบูชาที่เขาเคารพเนี่ยก็คือพระาราตนทรัยทีนี้ถ้าเราไปตั้งปนกันไว้หมดเนี่ยถามว่าตอนนั้นใจเราคิดถึงใครมันจะเป็นเหตุแห่งการสับสนในใจเราด้วยถ้าเราจะทาบุญอุทิศหรือจะเมตตาท่านเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาที่เกี่ยวกับเทวดาก็ดีหรือสิ่งที่เรามองว่า ถ้าอยากถามว่าในบ้านหลังนี้มีเทพเทวดาอาศัยอยู่ไหมก็มีถามว่าเราจําเป็นต้องตั้งทิ้งแท่นบูชาแท่านไหมเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งเลยเห็นไหมไม่ได้ไปตั้งแต่เราเจริญกุศลเด็ดเด็ดเสร็จทุกครั้งเราก็อุทิศกุศลกุศลให้และเราก็ให้ทานแต่ละครั้งเราก็เจริญกุศลแล้วก็อุทิศกุศลกุศลให้เราไม่เคยลืมบุญคุณบุคคลเหล่านี้นะและเราไม่เคยไปลอบลูบบุคคลเหล่านี้นะ แต่เรารู้ว่านี่ไม่ใช่สารณะที่สูงสุดเพราะนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่จะเป็นสารณะที่กเกษมได้เพราะพระเจ้าบอกว่านั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเมื่อบุคคลอาศัยสารณะนั้นแล้วไม่สามารถจะพ้นจากทุกได้ไม่สามารถที่จะพ้นจากหมันจกทุกได้จริงทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ว่าบางทีเราพูดกันว่า ก็ในในพระ ส, สูตในบทของเออใครสวรดเออบทวิทปัสสิสนามาตุจักุมันตาสาสรีมโตใครสวรดบทนี้มั้ยไม่เคยเลยเลยอาตานาติยะปริศใครสวรดมัไหลนะ ฉะนั้นอาตาณาติยปริทตเนี่ยให้สังเกต ด, ดูนะว่าตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มยักษ์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเอ่ยหน้าที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอามนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นลูกน้องของท้าวเวสสุวรรณทำร้ายครับสาวกของพระเจ้าทําร้ายอุบาสกและอุบาสิกาของพระเจ้าเหตุผลที่ท่านเหล่านั้นมาทําร้ายเพราะว่าท่านเขาเหมือนไม่ชอบเพราะเขาไม่ชอบ ให้ทานไม่ชอบรักษาศีลอมนุษย์เหล่าเนี้ไม่ชอบเมื่อเจอพุทธบริษัทมาให้ทานมารักษาศีลเขาก็พากันเบียดเบียนเทวิสุวรรณก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อมาเฝ้าไปเสร็จก็เลยผูกบอกว่าขอให้ขอให้พระพุทธเจ้าบอกแก่สาวกทั้งหลายให้ท่องสาธยายบทนี้ อันนั้นเขาจะเป็นอาณาเป็นอาณาก็คือเป็นคําประกาศของพระเจ้าเป็นดินคือเท้าเวสุวรรณแต่ก่อนที่จะประกาศถึงแม้จะมีการนอบน้อมพระเจ้าก่อนนอบน้อมพระธรนอบน้อมพระสงค์แล้วก็บอกว่ายักษ์ทั้งหลายอย่าเบียดเบียนพยุทธสเป็นต้นอย่าเบียดเบียนพุทธบริษัทอันนี้แปลว่าเพราะอ้างพระรัตนไตร <c oughs> เบ็ดเสร็จไม่พอแล้วก็บอกว่านี่เป็นคําสั่งของพระเจ้าเป็นดินนะ ว่าท่านในฐานะที่อยู่ภายใต้าการปกครองของพระเจ้าเป็นดินในเมืองท่านคือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจองอย่าทําร้ายพุทธบริษัทด้วยการไปเบียดเบียนติดต้นใช่ไหมถามว่าตรงนี้อ่ะไม่ใช่บูชาไม่ใช่ไปบูชาด้วยด้วยด้วยการที่ไปกลัวแต่เป็นการที่ไปเจริญเมตตาให้กับสัตว์เหล่านี้โดยการอ้างคุณของพระเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ แล้วก็ให้ส่วนบุญกับสัตว์เหล่านี้ว่าสัตว์เหล่านี้จะได้เบียดเบียนเราจะได้เบียดเบียนเราแยา้มาลังแกะเราโดยข้าพเจ้าในอ้างคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แล้วเราก็ไม่คิดเบียดเบียนใครอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการถือไตสรสารนคมที่ไม่เรียกว่าไตรสารณาคมเพราะกลัวเรากลัวเหตุผลว่า กลับไม่ได้ถือไตรสถานคมด้วยความนอบน้อมอีกอย่างหนึ่งนะว่าการถึงไตรสถานคมเนี่ยไม่จั ด, ดว่าเป็นสถานคมก็คืออาจารย์ปานิปาตะบุคคลเล่าเรียนธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นว่าในสมัยก่อนที่ยังไม่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ไปเรียนธรรมะกับเจ้าชายสิทธัตถะพอเรียนเด็ดเสร็จแล้วต่อมาเห็นพระพุทธเจ้ามาแล้วก็เลยไหว้ในฐานะเป็นอาจารย์ธรรมดา ไม่ได้ว่ายด้วยความนอบน้อมไม่ได้ ไ, ม, ไม่ได้ไว่ายด้วยความเคารพอันนี้ไม่จัดว่าเป็นการเป็นไตราสารณคมหรือการเข้าถึงสารณะแต่การไหว้เคารพสักการะพระพุทธเจ้าด้วยว่าทคินัยะปานิปากะจัดว่าเป็นไตราสารณคมเอาเป็นยังไงไหว้เคารพด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้าท ร, าทรงเป็นทัตทินัยยะบุคคลเป็นบุคคลที่ควรต่อทัตทินัยะ ทักทกินาทานควรแก่การสักการะบูชาที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดในโลกถ้าคิดอย่างนี้เท่านั้นแล้วไหว้แล้วนอบน้อมจึงจะจัดว่าเป็นการถึงไตรสระนคมเห็นไหมว่าทําไมเราจึงไหว้พระพุทธเจ้าเพราะเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทักทีในยะบุคคลเป็นบุคคลที่ควรบูชาที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดในโลก ไม่มีบุคคลใดที่เลิศที่ประเสริฐเท่ากับพัทสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วการวางใจในลักษณะอย่างนี้คิดในลักษณะอย่างนี้แล้วก็นอบน้อมด้วยกายนอบน้อมด้วยวาจานอบน้อมด้วยใจถวายเครื่องสการะทั้งหลายเป็นต้นถามว่าถ้ามีเครื่องสการะทั้งหลายไปบูชาถ้าจิตไม่คิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐ เป็นทูตสมบูรณ์ที่สุดในโลกถ้าไม่คิดอย่างนี้เรียกว่าบูชาไหมไม่เรียกไม่ได้ว่าเข้าถึงด้วยนะเพราะใจไม่ได้คิดนอบน้องมีจริงเช่นทำตามประเพณีเต็นตามทำตามประเพณีเอา้าพ่อบอกลูกจากน้าบูชาผ้าหน่อยจากน้าบูชาวางแป๊บๆ๊บแล้วกะไ็ไปเต็มไหมเนี่ยเพราะไม่ได้ไปคิดหรือไม่ลูกไม่พ่ออะไรรู้ไหมขาดข้องขาดความรู้ขาดความเข้าใจในสาระคมที่ถูกต้อง เลยปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าไม่ถูกทีนี้การนอกน้อมเนี่ยพขดูตรงไหนพอดูสภาพจิตใจอะ่ะตรงนี้ตอนนี้เราอ่านศึกษาตนเองออกได้ยังว่าเรามีขันทะแรงกล้าไหมความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะนอบน้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยมีตัวนี้ไหมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า แล้วก็กับตุ้นเตือนปลุกเร้าฉันทะอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นในใจมีความรักในพุทธเจ้าอย่างมากถ้ากิจกรรมที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยที่เกี่ยวกับพทธเจ้าแล้วเนี่ยตนเองยอมมอบกายถวายชีวิตข้าพเจ้าจะทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นจะทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นสังเกตดุไหมบอกว่ า, วาขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า จนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอวัยวะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีภบเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบตราบใดอัตภาพของข้าพเจ้ายัางเป็นไปอยู่ตราบใดชีวิตของข้าพเจ้ายังเป็นไปอยู่ตราบใดอวัยวะของข้าพเจ้ายังเป็นไปอยู่ตราบใดกายของข้าพเจ้ายังเป็นไปอยู่ตราบใดข้าพเจ้าจากักนอบน้อมพระตนะไตร อันนี้แปลว่าอะไรนอบน้อมด้วยฐานะเห็นพระริยาเป็นทักษิณยบุคคลอันสูงสุดถามว่าการนอบน้อมเนี่ยไม่ใช่เปกราบและใจไม่ได้คิดอะไรนะเช่นในขณะที่กราบว่าเอ๊ะคนจะมองเราไหมว่ากราบสวยไม่สวยหรือกราบด้วยความนอบน้อมใจที่นอบน้อมมีความศรัทธามั่นคงทุกครั้งที่กราบก็สมาทานในใจว่า ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมข้าพเจ้าเป็นทาสของประสงค์พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นนายีอิสระเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้ายอมสละตนมอบตนถวายโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะไม่ปราถนาเป็นทาสของกิเลสอีกแล้วราคะโทสะโมหะมันผักดันกระแสชีวิต วงการกระแสชีวิตของข้าพเจ้าให้เจ็บปวดมายาวไกลข้าพเจ้าขอสละกิเลสออกจากใจมอบตนอ้ออัตภาพถวายแด่พระศาสดา น, นอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตใจอย่างแท้จริงและจะเคียรพยายามมุ่งมั่นบากบาันเพียรพยายามเพื่อเข้าถึงพระรัตนาไกรให้ได้และจะทําจิตจดจ่อเพื่อจะลึกถึงพระรัตนาไกรแบบมุ่งมั่น ในขณะเดียวกันก็จะตรวจสอบจิตใจของตนเองตอนนี้ศรัทธาตั้งมั่นมากน้อยเพียงไรวิริยะประคับประคองใจของตนเองถึงพระราชนะใจมากแค่ไหนสติระลึกมั่นในคุณของพระราชนะัยแค่ไหนสมาธิมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเกิดสมาธิที่ตั้งมั่นในขณะที่ลึกถึงลึกถึงคุณของพระเจ้าปัญญาก็คอยตรวจตาดูว่าตอนนี้ คุณธรรมที่จะเข้าถึงพระรัตนตรยัยอะไรข้อไหนของเรามันบกพ้่องก็เคิ่มเติมปลกเรา้าสภาพจิตใจที่มีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเป้าหมายเพื่อให้เกิดญาณปัญญาเพื่อจะได้รู้ปฏิบัติถูกจะได้เข้าใจในคุณของพระรัตนตรัยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าไม่กลัวต่ออุปสรรคอันตรายใดๆข้าพเจ้าไม่กลัวต่อสิ่งใดๆจะมาขัดขวางเพราะข้าพเจ้ามีที่พึ่งแล้ว มีเครื่องกําจัดภัยแล้วถามว่าอย่างนี้แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าสภาพจิตใจนั้นเน่ะพ้นจากเครื่องพันธนาการอยู่ความกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่นอกจากพระรัตไตรแล้วแล้วบอกเราไม่ได้ไปลบหลู่ใครถามว่าเจ้าพ่อก็ดีเจ้าแม่ก็ดีพระภูมิก็ดีเราเข้าใจว่าท่านเป็นเทวดาแล้วเราไม่เคยลบหลู่เราทําบุญก็อุทิศให้ และเราไม่เคยไปตำหนิถ้าใครยังจะเคารพยังจะนับถือเพราะเขายังมีความเชื่อของเขาอย่างนั้นความเชื่อของเขาก็รักษากระแสชีวิตเขาได้อย่างหนึ่งแต่เราเข้าใจว่านั่นไม่ใช่สาระอันเสมนั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดเพราะอาศัยสาระนั้นแล้วเขาไม่สามารถที่จะพ้นจากมาหันตะทุกได้มหันตะไพยได้จริง แต่เรามั่นคงว่าเราจะพ้นจากมหันตภัยมหันตุกได้เพราะการเข้าถึงสาระด้วยกิริยาที่น้อมเข้าไปเข้าถึงถามว่ากิริยาที่น้อมเข้าไปนั้นคืออะไรคือศรัทธาที่น้อมเข้าไปเชื่อมั่นเนะี่อย่าลืมนะว่ากิริยาที่นอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยอันนี้เป็นกิริยาทางกายแต่เบื้องหลังของการนอบน้อมนะั้นคือศรัทธาที่เป็นประธาน เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยคือเจตนาที่เป็นประธานคือจิตใจตั้งมั่นที่จะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยให้ได้และปัญญาที่เป็นประธานน้อมเอาตัวกุศลและเจตนาเกิดขึ้นลักษณะจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีโรคคือราคาโทสาโมหะกุ้มรุ่มและจิตที่เป็นไปกับปัญญา คือมีความรู้ความเข้าใจในคุณของพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงแล้วและเป็นสภาพจิตที่เป็นสุขขวิบากตอนนั้นเกิดปลาโมดเกิดปีติเกิดสุขโสมนัสตั้งมั่นเกิดขึ้นจิตใจก็ผ่องใสเครื่องพ้นจากเครื่องพนานาการทั้งหลายอันนั้นคือสภาพสุขขวิบากมันเกิดขึ้นมันมีผลที่เป็นสุขเดียวนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อร ล, ลึก เมื่อระลึกแล้วเนะี่ยจิตใจก็มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่กลัวต่ออุปสรรคอันตรายใดๆเลยทําไมจึงไม่กลัวเพราะความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยถ้าจะตายก็ตายตรงที่ใจของตนเองยังมีความมั่นคงในพระรัตนตรยัยจะไปกลัวอะไรถามว่าท่านถ้าท่านพระมาหากตินะท่านไม่มีสารนคมแข็งแรงนะ ท่านไม่กล้าควบม้าลงทะเลเนะ่ยทำไมท่านมั่นใจขนาดนั้นอะ่ะเพราะศรัทธาของท่านถึงเราคิดอย่างนี้นะว่าก็ขนาดศรัทธาในสิ่งที่มันไม่มีข้อมูลจริงคนบางคนยังเชื่อถวายชีวิตได้เช่นบางคนเนี่ยเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้จะช่วยชีวิตของตัวเองได้ก็มุ่งมั่นแล้วก็ยังรักษาชีวิตเขาได้จริงเลย ก็ขนาดสิ่งเหล่านั้นคุณยังไม่บริบูรณ์จริงอ่ะหรือบางคนคิดว่าเนี่ยบางคนนะมีอยู่คนหนึ่งนะเขาเอาเขาไปออกรบเนี่ยเขาเาผ้าถุงของแม่เน่พันพันคอได้อย่างเนี้ยแล้วเขามั่นใจว่าเขากรตันยูกระต่าเวทีเนี่ยความเชื่อมั่นอย่างเนี้ยป้องกันเขาได้จริงแล้วก็เขาก็รอดพ้นปลอดภัยได้จริงด้วยบางคนเนี่ยใช้ดินก้อนเดียวเนี่ยใช้ไม้ซีไม้ซี่เดียวเนี่ยเอามาถือ แล้วให้บริกรรมเนี่ยเขายังสามารถพ้นจากอันตรายได้เลยดูที่ความเชื่อทั้งทั้งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคุณน้อยนิดนะเนี่ยมีน้อยนิดนะแต่อะไรเป็นตัวรักษากระแสชีวิตของเขาศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อนั่นหละเป็นตัวรักษากระแสชีวิตแล้วนี้เรามีศรัทธาด้วยมีปัญญาด้วย กำจัดความไม่รู้ในคุณของพระรัตนตรัยได้ด้วยปฏิบัติต่อพระรัตนตรัยถูกด้วยแล้วขจัดความสงสัยลังเลใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์ได้ด้วยแล้วกาจัดมิจฉาญาณคือการรู้แบบผิดๆการปฏิบัติผิดๆได้ด้วยแล้วไม่มีมิจฉาภรวัติคือไม่ปฏิบัติผิดจากพุทธโอวาทเลยทําถูกต้องทุกประการแล้วเราเป็นผู้มีอาภระตเป็นผู้มีความเอื้อเฟือ้อ คือเคารพพระพุทธเจ้าจริงๆเคารพพระธรรมจริงๆเคารพพระอริยสงฆ์จริงๆแบบจับจิตจับใจและตั้งมั่นขนาดนี้ถามว่าเท่นี้ก็มั่นใจไหมล่ะเขามั่นใจเพราะเขารู้ว่าเขากําลังเคารพสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลื่อนที่สุดสมบูรณ์ที่สุดในจักรวาลถามว่าในจักรวาลหนึ่งๆเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นได้เพียงองค์เดียวเนะจะไม่อุบัติเกิดขึ้นได้สองพระ อ, องค์นะ ในในการเหนื่อยเพราะเจ้าไม่ได้ธรรมดายอย่างที่คิดกว่าจะเป็นพระเจ้าได้เนี่ยต้องบำเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างยาวไกลเนะี่ยแล้วทรงเด็ดเหนื่อยทรงบากบัน่นทวงพินพยายามไม่ท้อถอยสมาทานในทานบา ร, รมีไม่เคยถอยเลยทรัพย์ที่มีอวัยวะที่มีชีวิตที่มีเพียงอุปการะแกสัตว์อื่นถ้ารักษาศีลก็ไม่ใช่ ไม่มีทรัพย์เป็นที่สุดไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดไม่มีญาติเป็นที่สุดและไม่มีชีวิตเป็นที่สุดเพราะตั้งมั่นในตัวกุศลศีลแม้บําเพ็ญเลขข่ห์คมะก็ไม่มีที่สุดเพราะทรัพย์เพราะญ า, าติเพราะอวัยวะเพราะชีวิตแม้เจริญปัญญาบา ร, รมีวิริยะขันติสั จ, จัติฐานเมตตาแลวิตาบา ร, รมีทุก ข, ข้อนี่ระดมสุดฤทธิ์สุดกําลังนะแล้วบําเพ็ญอย่างยาวไกลไม่ได้สัมมาสัมปิยาไม่ถอนความตั้งใจ ก็มหาบุรุษ ท, ที่มีจิตใจประดุดเพชรอย่างนี้นะแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วต่อมาพระองค์ทำได้จริงตรัสรู้สัมมาสัมพุธิยาณได้จริงและที่ประเสริฐเลิศพระธรรมที่เดินตามแล้วทำให้สัตว์ที่ปฏิบัติตามเนี่ยพ้นจากวัฏทุกได้จริงถามว่าอย่างนี้เราจะไปเอาเราจะไปหาที่ไหนจะไปหาที่ไหนอีก อัครบุคคลที่เลิศที่สุดทักษณิณยะบุคคลที่สูงสุดที่สุดแบบเนี้ยไม่มีแล้วลม่มหายใจขาดกว่าเจ๊เจ้เจอแบบเนี้ยหาไม่ได้อีกแล้วถามว่าคิดอย่างเนี้ยอย่าว่าแต่อย่าว่าพระเจ้ามหากรินญาบอกอย่าว่าแต่ราชบาลังเลยที่จะถวายเป็นพุทธบูชาอย่าว่าแต่บุตรภรรยาญาตินี้เป็นบริวารทรัพย์สินทั้งหมดเลยแม้แต่ชีวิตไม่มีค่าเลยเลยอ่ะ แต่พระรัตนตรัยมีค่าที่สุดท่านยินกล้าควบม้าลงแม่น้ำได้ท่านมั่นใจในคุณของพระเจ้าแล้วม้าไม่จมน้ำด้วยใช่ไหมวิ่งวิ่งตายน้ําไปได้ด้วยถ้าเอย่ยงเราศรัทธายอย่างเราลองลองโดดดูดิโดดจะจมตุบตุบอยู่แถวนี้เพราเราไม่มั่นคงสมาธิเราไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยนะแล้วลองคิดดูนะว่าความมั่นคงในกุศลของพระเจ้ามหากรรณาเนี่ย ที่เป็นอุปนิสยปัิยาสติเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังกระตุ้นเตือนให้ม้าเกิดความกล้าหาญ้วยเห็นไหมว่าความตั้งมั่นของคนคนหนึ่งแล้วสามารถเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนแก่ควะแก่การตั้งมั่นของมา้าซึ่งเป็นสัญว์เร่แแล้วสังเกตดูตอนที่พระโพธิสัตว์นะตอนที่ท่านจะเสด็จออกบวชตอนที่ว่าประทับอยู่บน มาธรรธ้าการตะกะที่นายฉันนะเกาะหางม้าตามมาเพราะบริษัทมั่นใจว่าตัวเองจะต้องออกบวชให้ได้แล้วจะต้องโดดข้ามกำแพงม้าก็มั่นใจด้วยนี่แปลว่าอะไรอ่ะนั่นเขาเรียกว่าอุปนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นเครื่องเคลื่อนหนุนที่มีกําลังอย่างแรงกล้าที่ได้ถูกพาอ บ, บ่มมาอย่างยาวไกลยี่สิบประสงคขายยิ่งด้วยแสน ม, ารรม้ากับ แล้วสังเกตดูนะว่าถ้าโพธิสัตว์ไปอยู่ในท้องของท่านผูใดท่านผูนั้นจะต้องประพฤติคุณธรรมอย่างโ อ, โอิโอโอเกเเลยจิตใจไม่เคยคิดบาปเลยอแล้วผิดกับเราไหมล่ะเราไปอยู่ใกล้ใครคนนั้นไม่เคยคิดบาปก็พลอยคิดบาปเห็นไหมดูบุญของเราดูกําลังของเราดิแทนที่เขาจะคิดกับเราดีๆนะเราก็ไปพูดกับเขาดีๆเขาก็โกรธเราก็ให้นี้ดูกําลังของกําลังของบรารมีต่างกันเยอะต่างกันเยอะ ถ้าอย่างเราเนี่ยบางทีขนาดพยายามดูจังหวะด้วยนะดูหน้าตาสงสัยบาปไม่คือนผมไม่เล่นงานเราเนี่ยพยายามพูดทีทีสักพักว่าว่างไงไอที่พูดมาอย่างเนี้ยเครียดแล้วนั้นเนี่ยพูดอย่างนี้เครียดลเลยนะดูนี่บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่ากาลังบา ร, รมีในตนนั้นต่ําทานบา ร, รมีก็ต่ําเอาดูทานบา ร, รมีต่ตําตรงที่เอามีซับความวิบัติอยู่เลยยังหมดทรัพย์อยู่เลย ศีลบารมีตม่ำคนเดียวก็โกครคภัยแค้เจ็บเดี๋ยวก็แตกแยกอยู่เรนะื่อยเนเธอธรรมะบารมีตม่ำคนสังเกตดูดิติดอะไรอยู่เรื่อยนะแค่ของชิ้นเดียวมี่สละไม่ได้เลยปัญญาบารมีต่มคิดคุณของพุทธเจ้าก็ไม่เคอยออกวิริยะบารมีต่มเกียร์ค้านไม่กระต้นเตือนอะไรหรอกใช่ไหมจะออกจากบาปอกุศลแต่ละครั้งียากมากพูดแล้วพูดอีก ท่านไม่เข้าใจหรอกว่ามีครอบครัวเนี่ยมันมันต้องมีปัญหามันต้องดูแลใช่ไหมล่ะแค่ว่าจะเดินออกเพียงแค่สี่วันห้าวันเนีโอ้โหออกมาเช็ดตลอดเวลาเป็นยังไงอยู่เป็นสบายดีมะเออเอาบุญมาฝากนะดี๋ยวที่ไหนได้โหงเนี่ยนะก็จะบำเพ็ญคันติบารมีนิดเดียวเนี่ยนะโพสามากุ้มลุมนิดเดียวว่าโกรธแล้วสัจจะบารมีพูดแล้วก็เปลี่ยนอยู่แล้ อธิษฐานบารมีตั้งใจแล้วจะถอนความตั้งใจเลยใช่ไหมมาครั้งเนี้ยเราจะตั้งมั่นในคุณของพระาราชนตรัยและจะไม่ถอนความตั้งใจแล้วแม้อุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้ใครมาขูยังไงก็ไม่นั่นพราะผ่านไปก็บอกระวังนี้อย่าไม่วายกุมารทองเดี๋ยวกุมารทองฆ่าเล่นงานนั้นพอเขาไป เ, เสร็จเสร็จขอ ย, ยกมือไหว้วกูว่าไม่ตั้งมั่นในพระาราชนตรัยเห็นไหม บอกแต่ที่แรกแล้วเราไม่ได้ไปลบลูแต่ทำไมกลัวขนาดนั้นล่ะไม่เชื่ออย่าลบลูไม่เชื่ออย่าลบลูแล้วก็เจอแต่คำพูดแบบนี้แหละบอกแล้วว่าไม่ได้ลบหลูแต่เราบอกว่านั่นไม่ใช่สาระอันเสมนั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดเพราะอาศัยสาระนี้แล้วพ้นจากทุกไม่ได้พ้นจากมันแตภัยไม่ได้จริงก็เราเจอสิ่งที่ดีที่สุดทําไมไม่ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีแล้วแสดงว่าเรายังไม่เจอใช่ไหม ถ้าเราเจอสิ่งที่ดีที่สุดถามว่าถ้าเขาจะให้เราเป็นรัชกุมารเนี่ยใช่ไหมของพระราชามหาศัตย์เนี่ยแต่ต้องทิ้งสถานะความเป็นขอทานเนี่ยลราบอกไม่เอาเราขอเป็นขอทานก่อนหรือแม้มันชอบทั้งสองอย่างเป็นไปได้ไหมแสดงปัญญาไม่เกิดนะทีนี้ท่านในขณะที่เรามานับถือพระราชนะไตรแล้วแล้วมีอะไรอีกที่เราจะต้องเคารพอย่างสูงสุดไม่มีแล้ว มันต้องแยกแยะชัดเจนแล้วนี่แปลว่าตอนนี้ใจเรายังไม่เชื่อมั่นหรือว่าพระรัตนตรัยดีที่สุดยิ่งกว่าชีวิตประเสริฐที่สุดและบริบูรณ์ที่สุดไม่มีข้อบอกพร่องเลยแม้เท่าปลายขนทรายไม่มีข้อบอกพร่องเลยไม่มีไร้กำหนีหมดเลยอ่ะก็เห็นของดีอย่างนี้แล้วทำไมไม่รีบนอกน้องทำไมไม่รีบบูชาทำไมไม่ปฏิบัติตามพโต ว, วา ทำไมไม่ทําสะแสจิตใจไม่เองเข้าถึงทํากายกรรมตัวเองให้อ่อนน้อเคารพบูชาเจตนาทําไมไม่ตั้งมั่นกระตุ้นตลอดเวลาศรัทธาทําไมไม่เชื่อมั่นเป็นขาดอะไรเพราะขาดปัญญาใช่ไหมก็เสริมปัญญาเข้าไปสิเสริมข้อมูลเข้าไปที่สุดจริงๆก็จะหลุดจากความสงสัยแล้วก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรยัย แล้วไไอย่น <c oughs> ี้จะเอาคุณนางทองไปในสมเด็จหรือเปล่าคะยังวงอีกยังหวงอีกเขาถามไปแล้วอ๋อเอามาถวายพระได้ไหมเนื้อ <c oughs> พระจะจัดทำให้ดูเหมาะสมดีไหมคืออย่างนี้นะตรงนี้ก็คือว่า ถ้าเรารู้ว่าเราได้สิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิ่สิ่งที่กระมีสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่เราแล้วเราเห็นว่าสิ่งแต่ก่อนเราคิดว่าเลินะ่นั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้เลิ่ที่สุดเราควรจะตั้งสิ่งนั้นไว้ในฐานะไหนปัญญาที่เกิดขึ้นในกระแสจิตใจของเราท่านทั้งหลายจะเป็นตัวแยกแยะและตัดสินพิจารณา ใชไหมโทษปัญญานั่นแหละมันเหมือนว่าถ้าเราไปเจอว่าเนี่ยเราเดินทางทีแรกเราก็แบบแบบหญกาเขาบอกมีประเสริฐมากาพอไปไปมามาเดินไปสักหน่อยเราไปเจอฐานที่สําคัญกว่ายากเราจะทิ้งยากาไหมก็ต้องท้อทิ้งยญ้าก็เอาฐานเพราะฐานมันดีกว่ายญา้า พอสักพักหนึ่งไปสักพักหนึ่งเราไปเจอปืนเจอไม้ที่ดีที่สุดมันสําคัญกว่าฐานแล้วก็ต้องทิ้งก็แบกปืนที่มีราคาเอาพอไปอีกสักพักหนึ่งเราไปเจอเงินใช่ไหมถ้นแบกได้ทีละอย่างเราจะต้องทิ้งเงินไหมถ้าไปเจอทองเอาเจอทองก็ต้องทิ้งถ้าไปเจอเพชรที่บริบูรณ์กว่าวก็ต้องทิ้งนี้ฉันใดแต่ก่อนเราก็มาจากการนับถือสิ่งที่มันไม่ถูกกันทั้งนั้นแหละ แต่ก่อนแล้วก็นับถืออะไรสารพาัดบางพบบางชาติแล้วก็ไปถือเจ้าระฆ่บางพบบางชาติแล้วก็ไปถือไปไปถือดวงจันทร์บางพบบางชาติก็ไปถือดวงอาทิตย์บางพบบางชาติก็ไปถือพระเจ้าที่ดูแลผลดูอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเป็นล้านๆสารณะในสังสารวัตเนี่ยแต่แล้วเราทิ้งมาทําไมล่ะเพราะเราเห็นว่าตอนนี้ ข้อมูลเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยเราไม่ต้องถ้าปัญญามาตัดสินเนี่ยปัญญาจะเลิกสงสัยเพราะจะแบกกูได้ยังไงเพราะสิ่งที่ไม่ดีจริงเนี่ยมันก็ต้องทิ้งออกทิ้งออกล ะ, ละออกละออกที่สุดจริงจริงเมื่อได้พรรัฒนาไตรเด็ดเสร็จสิ่งเหล่านี้ก็จะทิ้งแต่ไม่ใช่ทิ้งโดยการดูถูกทิ้งโดยความว่าปัญญาจะเป็นตัวคัดสรร ให้มองว่าอะไรเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อกระแสชีวิตมากที่สุดเพราะเป้าหมายของเราคือพ้นจากทุกเป้าหมายนคือพ้นทุกถ้าเรายังจมกับสิ่งนี้เราเจะพ้นทุกไม่ได้จริงเพราะไม่ใช่จารณะอันจะเสมนี่ฉะนั้นก็ต้องปล่อยไปใช่ไหมขอเนี๋ยวทา้ทาวท้าวที่จะได้ตอ ่ปลูกไปกันงมืค่ะเผื่อว่าผิดผูกไปนาะพระจันทร์จะได้เพื่อแก้ไขคือดีรูปผูบาชาตจเป็นต้นหรือรูปปั้นผู้บาร์จเป็นต้นที่ตั้งไว้ที่พิธาร์โยมก็ตอบไปว่าถ้าบูชาคือเคารพในฐานะที่เป็นปูเนี่ยก็เคารพไปแต่ถ้าเป็นความเห็นก็คืออยากจะให้แยกตระปู่ออกเป็นเสียหนังสืี ถาเป็นต้นงบูชาเครื่องที่การให้เข้าถึงพาราตนาไตรก็จะมีเครื่อเฉพาะบูชาพาราธนาเท่านั้นก<ต>็เดเดิมบูชาอื่นให้แยกออตรงนี้ถ้าเราให้สังเกตดูนะว่าตรงนี้การแยกให้ชัดนะถูกไม่ใช่ไม่เครารพอาจารย์นะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาในฐานะที่จะพาเราเข้าถึงพ า, าราตนาไตรนะแต่อาจารย์ไม่ใช่พ า, าราตนาไตรฉะนั้น ความดีของครูบาอาจารย์ก็คือว่าขอบคุณท่านอาจารย์อย่างมากที่เป็นที่ปรึกษาให้กับข้าพเจ้าแนะนํำข้าพเจ้าให้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเข้าพระธรรมเข้าเฝ้าพระสงฆ์ได้อย่างแท้จริงบุญคุณของพระอาจารย์ไม่เลืมจะปฏิบัติต่อพระอาจารย์โดยว่าโดยเคารพด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถานนะลุกด้วยลุกขึ้นต้อนรับด้วยค่อยเข้าไปยืนคอยรับใช้ ในโอกาสอันควรเห็นไหมแล้วก็ด้วยเครารพด้วยอุปถามด้วยเชื่อฟังคำสอนของท่านเพราะการฟังคำสอนของท่านนี่แหละทำให้ข้าพเจ้าได้ได้ไ ด, ได้ได้ข้อมูลในการเดินเข้าเฝ้าพระเจ้าได้พระธรรมพระสม์เห็นไหมครูบาอาจารย์เราไม่ได้ไปรับรู้เลยแต่แยกออกจากสิ่งที่สูงสุดคือพระัฒนาไตยเสียถ้าอย่างนี้ จะชัดอย่าไปปนกันอย่าไปปนกันถ้าไปปนกันขึ้นมาเดี๋ยวแถวนี้ก็เป็นเหตุทำให้คนอื่นไฟเปล่นนะคนอื่นก็จิตใจก็ก็สับสนยังไงกราบแล้วจะ น, นึกถึงใครจะนึกถึ ง, ถงตอนนี้นะปัญหาประเด็นก็คือว่าอยอมออกพุทธทางสรณ น, นังขจามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมบะผู่เมียพระเจ้าแล้วกราบลงไปเนี่ย ต่นนันเราคิดถึงใครคิดยังไงตอนนั้นมีอะไรเป็นประธานมีถามบอกว่ามีพระเจ้าใช่ไหมเป็นประธานภายนอกและประธานภายในคืออะไรศรัทธาเป็นประธานมีเจตนาไหมมีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นไหมมีปัญญาได้ไหม ถ้าปัญญาไม่เกิดการถึงไ ต, ตรสารนาคมยังแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงเพราะขาดปัญญาเป็นอาญานะแปลว่าไม่ไม่รู้แต่ยังไงเบื้องต้นนะขอให้มีศรัทธาไว้แต่อย่าลืมนะบอกว่าข้าพเจ้าจะทําศรัทธาเป้าหมายเพื่อปัญญาเพื่อให้เป็นปัจจัยเพื่อหนุนแก่การแก่ปัญญาคือการรู้คุณของพระเจ้าฉะนั้น กิริยาที่นอบน้อมภายนอกแต่การนอบน้อมจริงๆนั้นเป็นชื่อของศรัทธาเป็นชื่อของเจตนาเป็นชื่อของปัญญาที่เกิดในกุศลและจิตนั้นเห็นไหมถามว่าเอาแค่กิริยานอบน้อมข้างนอกได้ไหมที่มันลูปประทรับเนี่ยมีจิตใจที่ไหนแล้วลูปประทรัเนี่ยมือที่กราบมือที่ยกการยกมือแล้วกราบเนี่ย มั่นใจไหมว่าจะศรัทธาจริงถามว่าเรายกมือไหว้คนเนี่ยเราเคารพจริงๆทุกคนคาารหรือเปล่เ า, เ, าลเคยไหว้ตามพิธีไหมหรือเคยไหว้พรเห็นเยราบไหมหรือเคยถ้ายกมือไหว้แม่แล้วได้เงินน่เคยไหมแล้วไหว้กลัวโดวนตีเคยไหมถ้าไม่ว ย, ยกมือไหว้ไม่ได้เดี๋ยวครูตีบ้างเดี๋ยวแม่ตีบ้างอย่างนี้เป็นศาสนาไหมไม่เป็นล้อ ถามว่ากิริยาถ้านอบน้อมแล้วคําพูดก็เพ้อด้วยนะแม่จ๋าไปโรงเรียนก่อนนะแต่ในใจโอ้โหไม่ได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมล่ะฉะนั้นเอากิริยาที่นอบน้อมอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องเอาสภาพจิตใจอ่ะที่มีศรัทธาตั้งมั่นเอาเจตนาที่เอศรัทธาที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเอาเจตนาที่ที่มีความตั้งมั่นอย่างแรงกล้าแล้วเอาปัญญาคี่เข้าใจคุณ ถามว่าเราไหว้พระเจ้าทําไมเพราะท่านมีคุณเนี่ยเราไหว้ที่ไหนไหว้ที่คุณของท่านคารมคุณของท่านรูประกายของท่านเป็นสรีระคุณนะคุณธรรมในกระแสจิตใจของท่านเป็นพระพุทธคุณที่ท่านบงเป็นความเพียรมาทั้งหลายในการเดินบารมีทั้งหลายเป็นพัะจริยาคุณถ้าบอกว่าสวาขาตัวพระวจนะธมวัล ท, ท, ทำมังนะมาสามนี้ถ้าไหว้พระธรรมเราคิดถึงอะไรอ่ะ ไายถึงถลว่ า, าไหววาทำนีคิดถึงอะไรเราก็ได้ยังได้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราคิดแค่นี้ไงคำสั่งสอนนั้นเป็นตัวเขยมทิศเป็นตัวแผนที่แต่การเคารพถ้าทำคำสั่งสอนนั้นที่เรากราบเราไหวเพราะเรา สมาทานมั่นคงว่าเราเชื่อมั่นแผนทนี่เพราะเราอ่านดูแล้วแผนที่นี้แหละจะนำพากระแสชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางคือมรรคผลพนิพพานได้ฉะนั้นไม่ใช่เขาล็อกแค่แผนที่อย่างเดียวเขาล็อกพรมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งด้วยเห็นหมมีสองส่วนนะส่วนตัวชี้คือตัวแผนที่กับสภาพที่เป็นมรรคผลและนิพพานคือตัวโลกุตระ ใช้เวลาไหวเราคิดอย่างนี้จริงไหมนี่คําว่าพอาบอกว่าคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ไหมว่าวินยัยยปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรรู้ไหมพระสุตตันตปิฎกพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรรู้ไหมพระวิธรรมปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรโยมจริงนะเกิดศึษาก็คิดว่าสอนใหเราเนี่ยบรรูุได้ ไอ้ตรงนี้แหละถึงบอกว่าพอบอกว่าพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เป็นเป็นความจำได้ก็คือการการจำว่าเออเขาบอกว่าพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่อย่าลืมนะยอมนะไอ้คำว่าพระธรรมพระธรรมเนี่ยมันมีทั้งส่วนของ โลกิยธรรมส่วนของโลภุติธรรมเห็นไหมละ่ะมันมีทั้งส่วนของศีลส่วนของสมาธิส่วนของปัญญามันมีส่วนของวินัยของคา ร, รวะวินัยของบัณฑิตมันมีส่วนของจารีศีลวารีตศีลเป็นต้นอีกเยอะประเด็นก็คือว่าพระธรรมคาสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราเก็บมุมคําสอนไม่ชัดเชื่อไหมว่าเราจะไปบัตถุ ยาเอางี yeah. ้นะเอายอมสำรวยบอกลูกเอยไปตลาดแล้วก็สั่งโดยเร็วเลยนะไปซื้อพริกซื้อมะกรูดซื้อมะนาวนะไล่ไปตามลดับเป็นสิบอย่างเลยบอกลูกก็วิดเข้าใจแล้วรับเงินก็วิ่งไปเลยไปตลาดไปถึงน่งงเนี่ยี่อะไรบ้างที่แม่บอกมาทีนีที่ไงจะซื้อถูกั้ย ถูกไหมผมจำไม่ได้อะอยากก่าขนนั้นเลยเดาเอาไปแล้วกันเราชอบอะไรเราก็ซื้อนั้นอันไหนถูกใจก็ซื้อคิดว่าจะถูกอย่างที่แม่สั่งไปซื้อไหมย่อมเองสุดยอดคนแล้วต่ซื้อถูกไงใช่ไหมเล่ะเราอยู่ประเภทนั้นไหม ที่ยังไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าบอกอะไรเนี่ยแต่เป็นนั่งทําจิตนิ่งๆโ อ, โอเคแล้วใจชื่อนบานมันรู้สึกว่ามันปลงอะไรได้เยอะเลยตอนนี้รู้สึกรอบโกรธหลงหายเปลี้ยงเลยว่า ง, งั้นเลยนะถามว่ามันไม่ยึดมั่นอยู่บนความยึดมัน่นหรือเปล่าไม่ยึดมั่นอยู่บนความยึดมั่นสําคัญว่าไม่ยึดมัน่นแต่ที่จริงยังยึดมัน่นมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่ อะไรคือไม่ยึดมั่นสํางกาว่ายึดมั่นอะไรเราก็ไม่เอาแล้วสละหมดแล้วสละหมดแล้วแต่ น, นี้ไว้ให้ลูกนะคนอื่นห้ามอย่างนี้หรือเปล่าเราสละหมดแล้วนะเนี่ยมาเราถวายพระเลยเบีเสร็จแล้วถวายพระเจ้าเบียเสร็จ แ, แต่ น, นี้ไม่ได้หรอกเอาไว้ให้หลานอย่างนี้หรือเปล่ามันไม่ยึดมั่นอยู่บนความยึดมั่นหรือไม่ก็ลองไปคิดพิดารณาดูว่าเออมันถอนตอนได้จริงไหม